ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทวารและวิญญาณในขณะนึกคิดมโนวิญญาณที่คิดนึกเข้าใจและรับรู้นั้นเกิดจากการกระทบกัน ร, ระหว่างจิตและธรรมรมความคิดหรือสิ่งที่ใจนึกคิดจิตซึ่งเป็นฐานที่เกิดของมโนวิญญาณคือพวังคจิตซึ่งเกิดต่อจากปฏิสนธิขณะ และดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยอำนาจของกรรมผวังคจิตเป็นที่ตั้งที่อาศัยของความเข้าใจและการรับรู้ในเวลาที่เราหลับหรือเมื่อจิตของเราทํากิริยาอย่างอื่นพวังคจิตจะทาหน้าที่สืบต่อกระแสะแห่งชีวิตเมื่อมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบจะทำให้ผวังคจิตตื่นตัวเกิดความตั้งใจและรับรู้ เราจึงสามารถคิดและรับรู้ได้เพราะมีผวังคจิตเป็นฐานที่ตั้งจริงอยู่ผวังคจิตจะดำรงอยู่ตลอดเวลาแมในขณะที่ไม่มีความตั้งใจไม่มีการรับรู้อารมณ์แต่ผวังคจิตที่มีพลังเท่านั้นจึงจะเป็นปัใจจัยให้เกิดวิถีจิตได้ในขณะที่เรารู้สึกง่วงเราจะไม่สามารถคิด ออกอะไรได้แม้ในบางครั้งเราจะพยายามคิดเท่าไรก็ไม่สําเร็จทั้งนี้เป็นเพราะระวางขาจิตอ่อนกำลังโดยปกติผวางขาจิตไม่มีบทบาทมากนักแต่จะเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อมีอารมณ์มากระทบจึงเรียกะวางนี้ว่าผวงางคจรณนะหรือผวางคุปปัตเชทะเมื่อผวางถูกตัดไป ก็เป็นปัใจจัยให้เกิดความตั้งใจและรับรู้ตามมาอาวัชนะจิตจิตที่รับอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของการกระทำทางจิตอีกด้วยเพราะเป็นจิตดวงแรกที่มโนทวารวิถีจิตวิถีจิตทางมโนทวารอาวัชนะจิตจิตทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ถ้ามีอวัชนะจิตมีความว่องไวและคมชัด ก็จะสามารถกําหนดรู้สภาวะธรรมและอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนักเขียนที่ดีจะเลือกเฟ้นข้อมูลสาคัญมาเขียนใส่ในหนังสือหรือนักพูดที่ดีย่อมเลือกใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมเพื่อให้หนังสือหรือสุนทรพจน์มีความสมบูรณ์อย่างไม่มีที่ติอวัชนาจิตก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของกุศ ล, ลจิต หรืออกุศลจิตที่เป็นเหตุให้ทํากรรมดีหรือกรรมชั่วแล้วแต่ว่าจิตมีความโน้มเอียงไปในทางกุศลหรืออกุศลดังนั้นมโนวิญญาณในเรื่องนี้จึงหมายถึงชวนาจิตที่เสพอารมณ์ในทางดีหรือไม่ดีและจิตอันเป็นที่อาศัยของมโนวิญญาณก็คืออวชนาจิตนั่นเอง ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดมโนวิญญาณคือธรรมารมสิ่งที่จิตคิดคํหนึงธรรมารมจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่จิตคิดหรือใกล้ครวญเรื่องใดเรื่องหนึ่งหากขาดธรรมา ร, รมการทำงานของจิตก็เป็นไปไม่ได้เช่นในบางครั้งเราต้องการจะคิดแต่คิดไม่ออกเพราะจำรายละเอียดที่สำคัญไม่ได้ ดังนั้นวิถีจิตจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยสามอย่างคือพวังคจิตอวัชนะจิตและธรรมรมคัมภีร์อัตถกถากล่าวว่าหัวใจเป็นที่ตั้งของการกระทำทางจิตแต่ในสมัยปัจจุบัน แพทย์สมัยใหม่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจให้ผู้ป่วยโรคหัวใจได้แล้วจึงอาจช่วยให้สงสัยเกี่ยวกับบทบาทของหัวใจว่าเป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณจริงหรือไม่คำถามนี้อาจอธิบายได้เป็นสอมในประการแรกแม้ว่าจะผ่าตัดเอาหัวใจเดิมออกไปแล้วแต่พลังของการเป็นที่ตั้งแห่งพวังค์ขจิตยังคงอยู่ เปรียบเหมือนหางจิ้งจกที่แม้ขาดออกจากตัวก็ยังเคลื่อนไหวได้อยู่ชั่วขณะหนึ่งหลังจากปลูกถ่ายหัวใจใหม่และมีกระแสโลหิตไหลเวียนเป็นปกติพวังค์คจิตก็จะกลับขึ้นมาทำหน้าที่ดั่งเดิมเช่นเดียวกับเนื้อเยื่อหรือแก้วตาที่ได้รับการปลูกถ่ายเรียบร้อยและได้ผสานกับประสาทรูป ในบริเวณข้างเคียงเป็นอย่างดีแล้วประการที่สองคำถามนี้อาจตอบตามหลักอภิธรรมในได้ว่าในคำพีมหาปัฐฐานซึ่งเป็นคำพีหนึ่งในพระอภิธรรมปิดกได้กล่าวถึงที่อาศัยของมโนวิญญาณโดยไม่ได้เจาะจงอวัยวะในร่างกายว่าจิตอาศัยรูปใดย่อมเกิดขึ้น รูปนั้นเป็นปัจจัยแก่จิตโดยความเป็นที่อาศัยจึงอาจสรุปว่าที่อาศัยของมโนวิญญาณอาจเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งอาจเป็นหัวใจหรือศีรษะก็ได้สําหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้หัวใจเป็นที่ตั้งของจิตก็อาจกําหนดให้หัวสมองเป็นที่ตั้งของจิตก็ได้ ในคำพีอัตถกถาพระอภิธรรมปิดกได้อุปมาการทำงานของจิตไว้ว่าเปรียบเหมือนแมลงมุมชักใยไว้ดักแมลงแล้วหมอบคอยอยู่ตรงกลางเมื่อมีแมลงบินมาติดใยแมลงมุมก็จะวิ่งไปกินเหยื่อแล้วก็กลับมาหมอบลงกลางขายใยตามเดิมผวังคจิตหรือมโนวิญญาณก็เช่นกันมีหัวใจ เป็นที่อยู่อาศัยและมีโลหิตที่หัวใจสูบฉีดไปตามเส้นโลหิตทั่วร่างกายเป็นเครือข่ายเมื่อรูปารมมากระทบประสาทตาก็ทำให้ผวังคจิตที่อยู่ในหัวใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นจักรคูวิญญาณเป็นต้นในจักรุทวานวิถีวิถีทางจักรุทวานเมื่อวิถีจิตดับลงก็กลับไปสู่ผวางใหม่อีก สำหรับสัทธารมกับโสตรประสาทรูปและคันธารมกับคานะประสาทรูปเป็นต้นก็เป็นไปในทํานองเดียวกันด้วยเหตุดังกล่าวพะวังคจิตทำหน้าที่คิดและรู้ทั้งที่เป็นที่ตั้งของการทํางานของจิตของคนเราเมื่อมีรูปารมมากระทบจกักขุประสาทรูป จกขู่วิญญาณย่อมเกิดขึ้นโดยอาศัยตาเป็นที่ตั้งจากนั้นมโนวิญญาณก็เกิดขึ้นพิจารณารูปารม์ส่วนโสตวิญญาณคานวิญญาณและชิวหาวิญญาณก็เป็นไปในทํานองเดียวกันโดยมีหูจมูกและลิ้นเป็นที่ตั้งสำหรับกายวิญญาณนั้นมีขอบเขตกว้างขวาง เพราะมีร่างกายทั้งหมดเป็นที่ตั้งในขณะที่ไม่มีอารมณ์อื่นปรากฏชัดมโนวิญญาณจะเกิดขึ้นทําหน้าที่คิดนึกเรื่องราวต่างๆบางครั้งจึงเพลิอนอยู่กับความคิดจนกระทั่งไม่รับรู้อารมณ์อื่นการหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องสําคัญอาจทําให้ถึงกับนอนไม่หลับได้เพราะถูกครอบงําด้วยความคิดที่ผุดขึ้นมา เรื่องแล้วเรื่องเล่าโดยมีผวงางคจิตอวัชนะจิตและธรรมารมเป็นปัจจัยปรุงแต่งแต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เจริญสติละลึกรู้สภาวธรรมการคิดในทุกขณะที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าความคิดนั้นมีการเกิดดับเป็นช่วงช่วงเช่นกันการคิดเกิดได้เพราะมีการประชุมกันของผวังคจิต ธรรมรมและมโนวิญญาณณจิตและจึงมีมโนภาพปรากฏตามมามโนภาพอาจเป็นสิ่งที่เคยประสบหรือเป็นสิ่งที่คิดขึ้นจากจินตนาการผู้ที่เคยอ่านเรื่องราวต่างๆเช่นนิทานชาดกเมื่ออ่านเรื่องแล้วก็มักจะวาดภาพเมืองหรือพระราชาขึ้นในจินตนาการ ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อหรือประเพณีประเทศผู้อ่านมโนภาพนี้ย่อมห่างไกลความเป็นจริงเพราะผู้คนและสถานที่ในชาดกเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียจึงควรเป็นไปตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอินเดียนวานิยายสมัยใหม่ก่อให้เกิดมโนภาพเป็นเมืองหมู่บ้าน พระเอกนางเอกผู้ร้ายเป็นต้นแม้ผู้อ่านจะรู้อยู่ว่าเป็นเพียงนวนิยายที่ผู้เขียนจินตนาการขึ้นแต่ในขณะที่อ่านก็ยังรู้สึกว่าเป็นเหมือนจริงและพลอยรู้สึกดีใจหรือเสียใจไปตามเรื่องราวด้วยความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีการกระทบสัมผัสกับมโนภาพเป็นปัจจัย พระองค์ได้ตรัสไว้ในพระมชาลสูตรว่าคำสอนความเชื่อเหล่านี้เกิดจากการกระทบสัมผัสกับจินตนาการที่ชัดเจนเหมือนจริงจึงทำให้คำสอนนั้นแจ่มแจ้งเป็นจริงความหมายว่าจินตนาการที่ชัดเจนเหมือนจริงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าเราจะพูดเขียนเชื่อหรือคิดหรือเพียงแต่ปล่อยให้จิตล่องลอยไปอย่างอิสระก็ตาม จินตนาการเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกมโนภาพที่ดีทำให้รู้สึกดีเช่นมนโนภาพของความร่ำรวยในอดีตและที่คาดหวังในอนาคตทำให้รู้สึกเป็นสุขในทางตรงกันข้ามมนโนภาพที่ไม่ดีทำให้เป็นทุกข์เช่นการคิดถึงความทุกข์ยากในอดีตก็เท่ากับเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำที่เจ็บปวด หรือการคิดถึงปัญหาที่คาดว่าจะประสบในอนาคตทำให้วิตกกังวลเหตุของความทุกข์ต่างๆนี้อาจเกิดจากการคาดคะเนหรือคิดไปเองเหมือนกับผู้ที่เศร้าโศกเพราะได้รับข่าวการเสียชีวิตของญาติแต่ภายหลังทราบว่าญาติยังมีชีวิตอยู่ส่วนมโนภาพที่เป็นกลางย่อมทำให้รู้สึกวางเฉย อุเบกขาเวทนาไม่มีสุขหรือทุกข์อันที่จริงอาจไม่ทันสังเกตด้วยว่ามีความรู้สึกอย่างใดเพราะอุเบกขาเวทนาเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนจึงสังเกตได้ยากในคำพีอัตถคถาได้เปรียบอุเบกขาเวทนาเหมือนรอยเท้ากวางที่วิ่งไปบนแผ่นหินซึ่งมองไม่ออก แต่หากเห็นรอยเท้ากวางทั้งสองข้างของแผ่นหินก็ย่อมอนุมานรู้ได้ว่ากวางได้ผ่านวิ่งไปบนแผ่นหินนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันย่อมสังเกตเห็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือทุกข์แต่จะไม่เห็นอุเบกขาเวทนาและไม่ใส่ใจกับสภาวะธรรมอื่นเช่นการเห็นการได้ยินเป็นต้นเท่านั้น ต่อเมื่อได้รับสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาใหม่จึงจะพอรู้ได้ว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมานั้นอุเบกขาเวทนาในขณะที่ได้ใส่ใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางทาวารอื่นๆดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเพราะมีพวังขจิตและธรรมอารมณ์เป็นปัจจัยจึงเกิดมีมโนวิญญาณ การประชุมรวมกันของผวังขจิตธรรมารมและมนโนวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดผัสสะและเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการของความเป็นเหตุเป็นผลกันของธรรมทั้งหลายไม่มีอัตตาตัวตนหรือพระเจ้าบัรดานให้เกิดขึ้น และไม่ได้บังเอิญเกิดขึ้นเองในภาษาบาลีศัพท์ว่าธรรมรมณ์หมายถึงอารมณ์ห้ามีรูปารมณ์เป็นต้นที่พบเห็นหรือได้ยินเป็นต้นและอารมณ์ที่นึกคิดทางใจล้วนโดยที่อารมณ์เหล่านั้นมาปรากฏได้ทางมนโนทวานมโนวิญญาณจึงมีอารมณ์หกซึ่งหมายถึงสิ่งซึ่งได้เห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรส กระทบสัมผัสและสิ่งที่นึกคิดอารมณ์ทุกอย่างเป็นเหตุให้เกิดผัสสะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเวทนาบุคคลทั่วไปมักเห็นความคิดต่างๆเกี่ยวข้องกับอัตตาหรือมีตัวตนผู้ที่คิดซึ่งแท้จริงเป็นความหลงผิดที่ไม่เป็นไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาทแต่ผู้ที่จเจริญสติกาหนดรู้สภาวะธรรมทางจิตอยู่ ย่อมจะรู้ว่าการคิดเกิดขึ้นเพราะพวังคจิตอาวัชนะจิตและธรรมรมดังนั้นเขาจึงรู้ประจักษ์ด้วยประสบการณ์ของตนเองว่าสภาวะธรรมทางจิตเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเท่านั้นไม่เกี่ยวกับบุคคลตัวตนพระเจ้าหรือความบังเอิญแต่อย่างใดผู้ปฏิบัติธรรมย่อมทราบด้วยว่า การคิดเป็นเหตุให้เกิดผัสสะซึ่งก่อให้เกิดเวทนาความรู้อย่างนี้ไม่ได้เกิดจากการศึกษาตำราหากแต่เกิดจากการรู้ตามรู้เท่าทันสภาวธรรมการคิดในขณะที่ปรากฏขึ้นถ้าจิตล่องลอยไปที่บ้านในขณะปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักกรรมฐานเขาย่อมสามารถกำหนดรู้จิตของตนว่า มีการกระทบกันระหว่างจิตและอารมณ์ที่จิตรู้นั่นคือมโนภาพของบ้านในทํานองเดียวกันเขาย่อมกำหนดรู้เมื่อภาพของพระเจดีย์ชเวดากองหรือสถานที่อื่นซึ่งเคยพบเห็นมาก่อนได้แทรกเข้ามาในความคิดการกระทบกับธรรมร์นี้เรียกว่าผัสสะมโนสัมผัส นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรับรู้เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสได้ชัดเจนในขณะที่เจริญสติเช่นรู้สึกยินดีเมื่อคิดถึงสิ่งที่รื่นรมรู้สึกเศร้าเมื่อคิดถึงเหตุการณ์น่าเศร้ารู้สึกขบขันเมื่อคิดถึงเรื่องตลกเขาย่อมรู้ว่าเวทนาเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัเป็นเหตุ และเมื่อเจริญสติกำหนดรู้รูปนามต่อไปก็ย่อมอบรมสติและสมาธิให้แก่กล้ายิ่งขึ้นจนสามารถอย่างเห็นความดับของอารมณ์ที่กำหนดรู้อยู่นั้นพร้อมทั้งดับของจิตที่รู้ดังนั้นเขาจึงสามารถบรรลุถึงวิปัสสนาญาณที่รู้แจ้งและความไม่เที่ยงของสภาวธรรมทางจิต ได้แก่การคิดและความรู้สึกเป็นต้นตลอดจนรู้แจ้งความเป็นทุกข์และความไม่อยู่ในบังคับบัญชาไม่ใช่ตัวตนความไม่มีแกนสารของสภาวธรรมเหล่านั้นปัญญาดังกล่าวนี้คือความรู้สึกและความเข้าใจหลักปฏิจจสมบบาทจากประสบการณ์ในการปฏิบัติของตนเอง บทสรุปเรื่องอวิชชาถึงผัสสะดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ได้อธิบายถึงกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมจากอาวิชชาเป็นต้นมาจนถึงผัสสะซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้อวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจส์4ซึ่งทำให้บุคคลทั่วไปไม่เห็นความไม่ยั่งยืนความทุกข์และความไม่มีแก่นสารของอารมณ์ ทั้งหลายผู้คนจึงคิดพูดและทำสิ่งต่างๆโดยหวังจะได้รับความสุขในโลกนี้และโลกหน้าการคิดพูดและกระทำทางกายทั้งที่เป็นบุญและบาปเรียกว่าสังขารการขวนขวายทำกรรมสังขารดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่บุคคลที่ใกล้จะเสียชีวิตจะได้รับอารมณ์ที่เป็นกรรม กรร ม, มนิมิตเครื่องหมายของกรรมหรือคตินิมิตเครื่องหมายของพบข้างหน้าอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จิตยึดหน่วงไว้ในขณะใกล้เสียชีวิตนี้เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณในพบใหม่และเมื่อปฏิสนธิวิญญาณดับไปก็เกิดพวังคจิตต่อมาโดยยังมีกรรมกรร ม, มนิมิตหรือคตินิมิตเป็นอารมณ์เช่นเดิม เมื่อมีรูปหรือเสียงเป็นต้นมากระทบตาหรือหูผวังคจิตก็เกิดการไหวตัวแล้วจะกขุญญาณหรือโสตวิญญาณก็เกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ที่มากระทบการเห็นและการได้ยินเป็นต้นนี้เป็นผลของสภาวะธรรมซึ่งมีสังขารเป็นปัจจัยปรุงแต่งอารมณ์ที่เห็นหรือได้ยินเป็นต้นนั้นมีทั้งดีและไม่ดี จึงเป็นเหตุให้เกิดจกักรวิญญาณหรือโสตวิญญาณที่ดีหรือไม่ดีซึ่งเป็นผลของกุศ ล, ลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้ทำมาในอดีตชาติอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนี้หมายรวมถึงอารมณ์หกที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณหกคือจกักรวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณจิวหาวิญญาณ กายวิญญาณและมโนวิญญาณในมโนวิญญาณหมายถึงการกระทำทั้งหมดของจิตเช่นการคิดนึกตรึกตรองความตั้งใจเป็นต้นมโนวิญญาณมีผวังคาจิตอวัชนะจิตหัทยวัตถุและธรรมรมเป็นปัจจัย มโนวิญญาณวิถีประกอบด้วยชวนะจิตเจ็คณะและตัทธารมณะจิตสองณะตัทธารมณะจิตเป็นวิบากของกรรมดีหรือกรรมชั่วแต่ชวนะจิตไม่ใช่วิบากจิตตามในแห่งพระอภิธรรมชวนะจิตเป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นปัจจัยเพราะเกิดจากพระวังคขจิตซึ่งเป็นผลของสังขาร การเกิดของปฏิสนธิวิญญาณมักมีเจตสิกและรูปเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยดังนั้นจึงกล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปแต่วิญญาณก็เป็นเหตุให้เกิดอายตนะหกและอายตนะก็เป็นเหตุให้เกิดผัสสะหกซึ่งหมายถึงการประชุมกันของทวารอารมณ์และจิตผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา ความรู้สึกซึ่งอาจจะเป็นความพอใจสุขเวทนาหรือความไม่พอใจทุกขเวทนาหรือความรู้สึกวางเฉยอุเบกขาเวทนาในคมพีพระอภิธรรมกล่าวว่าอุเบกขาเวทนาที่เป็นผลของกุศลจัดเป็นความสุขส่วนอุเบกขาเวทนาที่เป็นผลของกุอะกุศลจัดเป็นทุกข นอกจากนั้นเมื่อบุคคลกระทบกับผัสสะที่ดีที่งามเป็นสุขเช่นเห็นรูปร่างที่แข็งแรงมีสุขภาพดีหรือวัตถุสิ่งของภายนอกที่อ่อนนุ่มสบายวิบากจิตอันเป็นผลของบุญที่ได้ทำไว้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อกระทบผัสสะที่ไม่ดีงามเป็นทุกข์เช่นโรคร้ายภายในร่างกาย หรือวัตถุสิ่งของภายนอกที่หยาบกระด้างวิบากจิตอันเป็นผลของบาปที่ได้ทำไว้ย่อมเกิดขึ้นสมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าดูกระมานพการประพฤติเบียดเบียนของบุคคลที่มักเบียดเบียนเหล่าสัตว์ย่อมก่อให้เกิดโรคภัยเป็นอันมาก